จเจริญพรพวกเราคือเราศึกษาธรรมะนะเวลาฟังธรรมะนี่เป็นเวลาที่มีคุณค่ากับชีวิตเรามากเลยนะธรรมะนัเป็นของที่มีคุณค่ากับชีวิตเราอย่างแท้จริงนะในโลกนเราก็อยากได้สิ่งที่ดีๆบางคนก็อยากรวยอยากมีสามีปัญญาที่ดีอยากมีลูกดีนะมีการงานดีอะไรต่ อ, อไรเที่ยวอยากได้ แคอยากได้มีความสุขความสุขข้างหลายที่เราหากันนั้นเป็นความสุขชัวขช่วครั้งชั่วคราวนะนธรรมะนี่แหละจะให้ความสุขที่เป็นอมาตะกับเราเป็นความสุขที่แท้จริงเลธรรมะไม่ใช่เรื่องยากเกินไปนะลองฟังดูนะหลวงพ่อเทศให้เราฟังก็ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีไม่เกินนั้นเนะเวลาซึ่งไม่มากเนี่ยนะถ้าหาก ต่อไปเราเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อพูดเราจะรู้เลยว่าเวลาครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีในวันนี้เป็นเวลาที่มีความสําคัญกับชีวิตเราบางคนที่ได้ฟังธรรมที่หลวงพ่อเทศแล้วเนียเอาไปลงมือปฏิบัติ ด, ดนะูเขาสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้ในเวลาสั้นๆเดือนหนึ่งสองเดือน3เดือนเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเป็นเรื่องอัศจรรย์มากนะธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่า เออาร์เบอกให้ทําบุญไปเรื่อยๆนะชาติหน้าเราจะดีไกลเกินไปมันต้องดีเดี๋ยวนี้ให้ได้ความทุกข์ของเราอยู่ในชีวิตนี้แหละไม่ต้องไปรอแก้กความทุกข์ชาติหน้าธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของละยืดยื้ยืดญาติยืดเ ย, ยืย้อขนาดนั้นนะถ้าเราเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อพูดในวันนี้ความทุกข์มันจะตกหายไปจากใจเราในเวลานิ่มไม่นานนะบางคนใช้เวลาเดือนกว่าๆสองเดือน3เดือนนี่เปลี่ยนตัวเองได้ สามารถเปลี่ยนชีวิตตัวเองเหมือนเราเป็นคนใหม่เหมือนเราเกิดใหม่นะงั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของอัศจรรย์มากนะไม่ใช่เชื่อเชื่อไปก่อนอะไรเงี้ย น, นะทำบุญไปเรื่อยๆแล้วอนาคตจะดีต้องดีเดี๋ยวนี้ให้ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้านั่เป็นอัคาลิโกไม่จํากัดด้วยเวลาไม่ใช่เป็นต้องไปดเีเอาชาติหน้าทําชาตินี้ให้ดีชาติหน้ามันก็ดีไปเองแหละ การที่เราจะศึกษาธรรมะเราต้องรู้ก่อนว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมุ่งไปเพื่ออะไรเราจะทําอะไรสักอย่างเราต้องรู้ว่าเราจะทําเพื่ออะไรอย่างถ้าเราจะทําธุรกิจเราก็ต้องรู้เราจะทําเพื่อกําไรนะไม่ใช่ทําเพื่อสังคมสงเคราะห์นีถ้าทําธุรกิจแต่ตั้งมูลนิธิทําสังคมสงเคราะห์อะไรนะไม่ใช่เพื่อกําไรนะงั้นการปฏิบัติธรรมนี้เราก็ต้องรู้เป้าหมายที่ชัดเจนถ้าเราไม่รู้เป้าหมายเราก็ทางานเซเพสสปะ งันแต่และองค์กรนะองค์กรสมัยใหม่เนี่ยเขาจะบอกเราเลยว่าองค์กรของเรามีวิสัยทัศน์ยังไงนะมีทิศทางยังไงที่จะไปสู่จุดไหนเราต้องการอะไรแต่และปีก็มีเป้าที่จะต้องทําให้ได้นะทุกทุกกิจกรรมมันต้องมีเป้าหมายทั้งนั้นเลยการศึกษาการปฏิบัติธรรมก็มีเป้าหมายไม่ใช่เลื่อนเอลอนลอยๆนะไม่ใช่ทรงเดช เป้าหมายหลักที่เราจะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อถอดถอนความทุกข์ออกจากใจเราให้ได้สดๆร้อนๆไม่ใช่ทุกชาติหน้าเลยนะต้องแก้ทุกข์ให้ได้ในชีวิตนี้แหละชีวิตของเราเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์คนทั้งหลายเนี่ยไม่ค่อยยอมรับไม่ค่อยอยากรู้เวลาเรามีความทุกข์เราอยากลืมเร็วๆเห็นไหมมีความสุขเราก็อยากจําไว้นะแล้ก็หนีความทุกข์หนีความจริงของชีวิตเรื่อยๆไป พวกเราในห้องนี้มีใครเคยพลัดพรากจากคนที่รักบ้างไหมใครพ่อแม่ตายแล้วบ้างมีไหมมีเพื่อนสนิท ต, ตายไหมมีไหมคนไหนเคยไหมอกหักเคยใช่ไโอ้ห้าหารมากเลยผู้หญิงปลอกกอนเลยเคย <c oughs> นี่เรียนธรรมะน้ำต้องซื่อๆอย่างนี้แหละเนี่ยความทุกข์นะอยู่ในชีวิตเราเนี้ยสาละพัดเลยปลายปี ได้โบนัสน้อยอะไรเงี้ยหวังว่าจะได้เยอะแล้วก็ได้น้อยนะหรือว่าได้เงินเดือนขึ้นแล้วก็คิดว่าจะขึ้นเยอะก็ไม่ขึ้นอะไรเงี้ยนะเนี่ยนะมันมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาในชีวิตเราเยอะแยะเลยบางทีก็เจ็บป่วยนะแข็งแรงอยู่ดีๆนะลูกศิษย์หลวพ่อก็มีบางคนนะอย่างเด็กๆอย่างสาวๆอยู่นะแป๊บเดียวตายไปแลเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยนะ ชีวิตเราเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยปัญหาตั้งมากตั้งหมายเราเครียดไหมในการใช้ชีวิตแต่ละวันมีความเครียดบ้างไหมหรือตื่นขึ้นมาก็กระดีกระดาเลื่อนเลื่อนวันหนึ่งวันหนึ่งใจเราเนี่ยเต็มไปด้วยความเครียดนะอยากได้อะไรอย่างหนึ่งแล้วยังไม่ได้มาเครียดไหมเครียดนะอยากได้มือถือใหม่ๆนะทำอะไรต่ออะไรได้เยอะแต่ทั้งที่เราก็ใช้ไม่เป็น เลยก็อยากได้อยากได้ iPhone, iPad i อะไรต่อเราไม่รู้นะเยอะแยะเลยนะเวลาแค่ใจเราอยากขึ้นมาใจเราก็ทุกข์ลนะเราเจอสิ่งที่ไม่รักเราก็ทุกข์นะเราไม่ได้สิ่งที่รักเราก็ทุกข์เราพลัดพลาดจากสิ่งที่รักเราก็ทุกขนะ์เจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์นะอยากแล้วไม่สมอยากเราก็ทุกข์นะในชีวิตเราเนี่ยมีความจริงคือมีความทุกข์เนี่ยเยอะแยะเลยความทุกข์ม่มีอยู่2ส่วน ความทุกข์ทางร่างกายกับความทุกข์ทางจิตใจความทุกข์ทางร่างกายเนี่ยมเมื่อเรามีร่างกายแล้วนะหนีไม่รอดหรอกอย่างพวกเราจะต้องแก่พวกเราต้องเจ็บต้องตายนะบางคนตายโดยไม่ทันจะแก่ก็มีนะเคยคิดไหมเวลาตอนที่เราจะตายเนี่ยเราจะเจ็บแค่ไหนนึกไหมบางคนก็เจ็บมากนะบางคนก็เจ็บน้อยอะไรเงี้ยคือในชีวิตเราเนี่ยนะทางร่างกายเนี่ยมีความทุกข์ซึ่งเราหนีไม่ได้ เราไม่รู้เลยว่าเราจะเจ็บเมื่อไหร่เราจะตายเมื่อไร่ความทุกข์ทางร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราแก้ไม่ได้แต่ผ่อนหนักเป็นเบาได้อย่างเจ็บป่วยขึ้นมาก็ไปหาหมออะไรอย่างเงี้นะพ่วงนอนก็ไปนอนหิวข้าวก็ไปกินอะไรเนี่ยเมื่อยนักนะกไปเอ็งหลังหรือไปเปลี่ยนยยาบทนั่งนานมันเมื่อยก็ไปเดินอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยมันแก้ได้เป็นคราวๆแต่สุดท้ายมันก็แก้ไม่ได้สุดท้ายทุกคนเนี่ยจะทุกจนตายทุกคน ถึงจุด1นึ่นะ้วต้องทุกจนตายทุกคนเนร่างกายนี้เป็นอย่างนี้แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อร่างกายเป็นทุกข์นะใจจะเป็นทุกข์ด้วยเรียกว่าถ้าร่างกายเจ็บป่วยนะใจป่วยมากกว่ากายกลุ่มใจนะเลยป่วยซ้ำสองนี่ทำไงล่ะเราอยู่ในโลกบางครั้งเราก็ต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักอย่างพ่อแม่เราตา ย, ยาเราห้ามไม่ได้ใช่ไหมทำไงใจเราจะไม่ทุกข์นะีเน่เรื่องใจที่จะไม่ทุกข์เนี่ยเป็นคำตอบ ในศาสนาพุทธนะเราจะมาฝึกกจนกระทั่งเราอยู่ได้ในทุกๆสถานการณ์โดยใจของเราไม่ทุกข์เราจะมุ่งมาตรงนี้ส่วนร่างกายยังไงก็ทุกข์เราก็ต้องดูแลมันไปตามสภาพแต่ว่าเราจะให้ทุกข์อยู่เฉพาะที่กายเท่านั้นทุกข์จะต้องไม่เข้ามาถึงใจเราในขณะที่ทุกวันนี้ในชีวิตของเราตามความเป็นจริงนะีค้ความทุกข์เกิดที่ใจเราแทบจะตลอดเวลา คือความเครียดทั้งหลายนะเกิดขึ้นมาตลอดเวลานะแต่เราไม่รู้เองอนะต้องแรงๆก่อนถึงจะรู้นะใจใจเราเนี่ยมันไม่มีความสงบไม่มีความสุขใจมันมีความหิวอยู่ตลอดเวลานะตัวที่ทำให้ใจของเราดิ้นรนไม่มีความสุขไม่มีความสงบ ก, ก็คือตัวความอยากที่เกิดขึ้นในใจเราเวลามีความอยากทีไรใจก็จะมีความทุกข์ทุกทีเลยนะนี่เราจะทำยังไงไม่ให้อยาก เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ให้อยากเราไม่ใช่พระอราหันต์จกเป็นตรราอรหันต์เท่านั้นนะที่ท่านพ้นความอยากไปได้นอกนั้นยังไงก็อยากพระโสดาพระสักาคาพระนาคาก็ยังอยากอยู่แต่ความอยากท่านน้อยลงน้อยลงความทุกข์ของท่านก็น้อยลงน้อยลงพระอราหันต์ท่านหมดความอยากในใจแล้วนะท่านไม่มีความทุกข์ทางใจเหลือเลยเหลือแต่ความทุกข์ในร่างกายนี่เราจะต้องมาเรียนศาสตร์ที่เราจะขจัด ความอยากออกจากใจให้มากที่สุดที่จะทําได้คารวาสก็ทําได้เราอย่าไปคิดว่าการปฏิบัติทําเป็นเรื่องของพระการปฏิบัติทําเป็นเรื่องของคนทุกคนนะถ้าคนไหนรู้ว่าชีวิตเราเนี่ยไม่ควรจะจมอยู่ในความทุกข์นิรันดรเรื่องอะไรเราเกิดมาทั้งทีเราจะต้องทุกข์ไปเรื่อยๆทําไมวิธีที่จะพ้นจากความทุกข์พระพุทธเจ้าก็สอนอยู่แล้วทําไมเราจะไม่เอาถ้าไม่เอาก็คือคนที่ประมาทหรือคนที่โง่ น, นั่นเองที่จะต้องปล่อยชีวิต ให้จมอยู่กับความทุกข์เรไยๆไปนะวันนี้ถ้าฟังที่หลวงพ่อบอกนะเราจะรู้วิธีที่จะเอาความทุกข์ออกจากใจของเรานะวิธีขั้นต้นเลยนะขั้นต้นเลยพยายามมาจัดระเบียบชีวิตเราไม่ให้วุ่นวายมากนะชีวิตเราเนี่ยวุ่นวายเพราะกิเลสมันผลักดันนะอย่างเดียวก็เคยรักษาศีล5้าเคยไหมรู้จักศีลห้าไหใครไม่รู้จักยกมือสารภาพ รู้จักหมดเลยเดี๋ยวหลวงพ่อจะถามนะเดี๋ยวจะชี้แล้วถามว่าข้อไหนว่ายังไงใครไม่รู้จักศีลห้ามีไหมรู้จักหมดนะใครไม่ถือศีลห้ามีไหมไม่ยอมบอกนะผู้ไร้ปากแข็งศีลข้อไหนรักษายากที่สุดข้อห้าคนเขาไม่กินเหล้าเขาบอกข้อห้ารักษาง่ายเออศีลข้ามูสาเนี่ยากนะ มูซาไม่ใช่แค่โกหกนะพูดเพิรเจอก็เขาข้าขายมูซาแล้วพูดเพิรเจอร์หมายถึงว่าไม่จำเป็นต้องพูดก็พูดพูดคำหยาบพูดคาหยาบใครพูดคำหยาบบ้างหลวพ่อเคยได้ยินนะผู้หญิงสวยๆนะแต่พูดออกมาเนี่ยหูหมาหูๆูเลยฟังไม่ไหวนะมันหยาบครพูดสอดเสียดพูดให้เขาทะเลาะกันนี่ผิดศีลทั้งนั้นนะแล้วพูดโกหก ศีลห้านะั้นอย่างขนาดที่พระกำลังเทศเนี่ยเรามีหน้าที่ฟังแล้วเราก็คุยแข่งกับพระให้ศีลข้อ4ดังพลอยละนะการรักษาศีลเนี่ยมันสําคัญยังไงเราอย่าไปคิดว่าการรักษาศีลเป็นเรื่องทุกทรมานนะมันเป็นวิธีฝึกตัวเองขั้นต้นเลยขั้นเบสิคที่สุดเลยนะศีลเนี่ยเป็นเครื่องที่จะคอยควบคุมให้กายให้วาจาของเราเรียบร้อยพฤติกรรมทางกายทางวาจาของเราให้เรียบร้อยไม่ไปร้าวรานคนอื่น การรักษาศีลเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆก็ไปขอที่พระศีลต้องตั้งใจรักษาเอาเองจึงไปขอกับพระนะ้นขอเสร็จก็คุยแข่งกับพระไม่มีศีล น, นอกศีลดังพร้อยไปหมดละการรักษาศีลที่ดีต้องรักษาที่ใจของเราคนทำผิดศีลได้นะเพราะกิเลสมันครอบงําใจอย่างคนที่ไปฆ่าเขาไปตีเขาไปด่าเขาเนี่ยเพราะความโกรธมันครอบงําใจของเรา คนที่ไปขโมยเขา้าไปเป็นชั่วเขาไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงเขานะเพราะความโลภมันครอบงาใจของตัวเองถ้าเราคอยรู้ทันใจของเรานะนี่เป็นศาสตร์ของการปฏิบัติซึ่งเหมาะกับคนยุคของเราคือการที่รู้ทันใจของตัวเองไว้ถ้าเรารู้ทันใจของตัวเองไว้นะเมื่อใจมันโกรธขึ้นมาเรารู้ทันความโกรธจะหายไปโดยอัตโนมัตินี่เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากเนละ ถ้าใจของเรามีความอยากเกิดขึ้นเรารู้ทันนะความอยากจะดับอัตโนมัติเราไม่ต้องดับมันนะหน้าที่ของเราง่ายนิดเดียวเลยถ้าใจเราโกรธขึ้นมาเราก็รู้ว่าตอนนี้โกรธแล้วรู้เฉยๆนะแล้ไปลองดูว่ามันจะหายไปไหมมันจะหายได้เองนะแปลกมากเลยหรือใจเราโลภขึ้นมาอยากโน่อนอยากนี่ขึ้นมานะให้รู้ทันลงไปความอยากนั่นจะหายไป เรารักใครสักคนหนึ่งนะเรารู้ทันว่าใจกำลังรักอยู่นะความรักนั้นจะหายไปจะเป็นอุเบกขาไปหมดนะให้เราคอยรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆถ้าเรารู้ทันใจตัวเองบ่อยๆนะคนที่ไม่เคยรักษาศีลนะจะมีศีลอัตโนมัติเพราะอะไรอย่างความโกรธมันเกิดขึ้นในใจเราเรารู้ทันพอเรารู้ทันพุบความโกรธจะครอบงาใจเราไม่ได้จะมาบงการพฤติกรรมทางกายทางวาจาของเราให้ไปเกลียร้าวรานใครนี่เป็นไปไม่ได้เลย ไปฝึกดูนะวิธีฝึกง่ายนิดเดียวเลยรู้จักความโกรธไหมใครรู้จักความโลภอยากนู่นอยากนี่รู้จักัหมรู้จักความรักไหมรู้จักความกลัวไหมรู้จักอิจฉาไหมใครเคยอิจฉาถามจริงๆใครเคยอิจฉามั้ยกมือสิมีไหมพวกที่เหลือคือผู้ร้ายปากแข็งอะ่ะ <laughs> ใครเคยกังวลมั้งกังวลรู้จักไหม กลัวนะเนี่ยสารพัดความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยพวกกิเลส ท, ทั้งนั้นอนะ่นะอย่างความความอิจฉาเนี่ยเป็นตระกูลโทสะใครเคยรู้สึกขี้เหนียวบ้างขี้เหนียวมันเป็นตะกูลโทสะนะเวลาขี้เหนียวเนี่ยไม่สบายใจนะอิจฉาอิจฉาแล้วมีความสุขไหมในขณะที่อิจฉาไม่มีความสุขเป็นตะกูลโทสะนะถ้าเมื่อไหร่กิเลสอะไรที่เกิดขึ้นแล้วมีความทุกข์เกิดร่วมในใจนะ เป็นตระกูลโทสระหมดเลยนะตระกูลหรืตระกูลใหญ่นะมีเยอะเลยกังวลใจนะไม่สบายใจเซ็งอะเซงนี่มีความสุขไหมเซงก็โทสระใช่ไหมไม่มีความสุขนะนี่เราครยรู้ทันนะพวกเรารู้จักกิเลสทุกตัวอยู่แล้วละที่หลวงพ่อเอ่ยชื่อมาตะกี้มีตัวไหนที่เราไม่รู้จักไหมเซงรู้จักใช่ไหมเครียดรู้จักไหมหน่าย เดี๋ยวนี้มีสับเยอะๆนะนะมีอะไรอีกช่วยกันคิดซิมีสั์อะไรอีกที่สะท้อนความรู้สึกของเราเอาสมัยใหม่หน่อยอนะนะอะไรนะหรอหลวงพ่อยังไม่รู้จักเลยเห็นไหมเรามีศัพท์ที่สะท้อนความรู้สึกของเราเนี่ยเยอะแย ะ, ยะเลยนึกออกไหมหน้าที่ของเรามีนิดเดียวนะ วิธีที่จะพาให้เราพ้นจากความทุกข์ได้ขณะนี้ใจของเรารู้สึกยังไงแค่รู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเราสดๆร้อนๆนะใจเราจะมีศีลอัตโนมัติอย่างกิเลสเกิดขึ้นมาเรารู้ทันนะกิเลสจะครอบงำใจเราไม่ได้เราจะไม่ไปเกกี่รกล่าวรานใครเราจะไม่ปริ้นปล้อนหลอกลวงใครนะจะรักษาศีลง่ายเลยแล้วสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งนอกจากศีลที่เราจะได้นะคือเราจะได้สมาธิขึ้นมา ใจของเราปกติวุ่นวายฟุ้งซ่านตลอดวันคนไหนรู้จักคําว่าฟุ้งซ่านไหมฟุ้งซ่านเป็นกิเลสนะชื่อตะกูุดโมหะโมหะคือหลงพวกฟุ้งซ่านใจฟุ้งฟุงฟงขณะที่เราฟุ้งซ่านเราลืมตัวเราเองนึกออกไหมเวลาเราไปคิดถึงคนอื่นนะเราจะลืมตัวเราเองนึกออกไหมตั้งแต่ตื่นนอนเราลืมตัวเราเองซะเป็นส่วนใหญ่ร่างกายของเราเป็นยังไงเราไม่เคยรู้จิตใจของเราเป็นยังไงเราไม่รู้ ตื่นนอนเราก็คิดถึงคนอื่นคิดถึงสิ่งอื่นคิดถึงเวลาอื่นคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตเห็นไหมคิดถึงเพื่อนคิดถึงที่ทํางานคิดถึงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่คิดถึงตัวเองไม่รู้สึกถึงตัวเองว่ากําลังหายใจออกหรือว่ากําลังหายใจเข้ากําลังอยู่ในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนหรืออิริยาบถไหนเราไม่รู้สึกเลยใจของเราเป็นสุขหรือใจของเราเป็นทุกข์ใจของเรากําลังโลภไหมกําลังโกรธไหมกำลังหลงไหมกําลังฟุ้งซ่านไหมกำลังหดหู่ไหม เราไม่รู้เลยเรารู้แต่สิ่งอื่นนะเราไม่เคยรู้ทันกายไม่รู้ทันใจของตัวเองเราลืมตัวเองตลอดถ้าเมื่อไรเราลืมตัวเองนะั้นเรียกว่าจิตมันหลงไปมีโมหะมันฟุ้งซ่านไปมันมีโมหะงั้นนึกออกหรือยังว่าตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยเราอยู่กับความหลงมากกว่าความรู้สึกตัวนะใจเราจะหลงหลงหลงคิดเรื่องนอนเรื่องนี้ไปเรื่อยมีร่างกายร่างกายก็หายไปนะมีจิตใจจิตใจก็หายไปเนะี่อย่างนี้ ความทุกข์มันจะเข้ามาในใจได้นะพอหลงไปสักพักนึ่งก็คิดคิ ด, คดเพลินเพไปเดี๋ยวก็โลภคิดคิดไปเดี๋ยวก็โกรธนะใจก็ไม่มีความสุขให้เราคอยรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของเราสดๆดร้อนๆอนรู้ไปอย่างสบายสบายใจของเรามีความสุขให้รู้ทันว่าตอนเนี้มีความสุขแล้ใจของเรามีความทุกข์ให้รู้ทันว่าโอ้อตอนนี้มีความทุกข์ขึ้นมาละใจของเรานะ โลกขึ้นมารู้ทันใจของเราโกรธขึ้นมารู้ทันใจของเราฟุ้งซ่านรู้ทันใจเราหดหู่รู้ทันใจเราดีใจรู้ทันใจเสียใจรู้ทันคอยรู้ทันใจของตัวเองบ่อยๆการที่เราคอยรู้ทันใจของตัวเองบ่อยๆนะใจจะค่อยๆสงบนะศีลก็มีนะสมาธิก็มีใจจะค่อยๆสงบงั้นเราคอยรู้สึกนะคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองด้วย การทํางานทางโลกก็จะดีขึ้นด้วยนะสมาธิในการทํางานก็จะดีขึ้นเวลาพวกเราทํางานเคยมีไหแอบไปคิดเรื่องอื่นที่นอกจากงานมีไหมมีมากเลยไอ้ที่คิดเรื่องงานมีไม่มากแล้วนะหนีไปคิดเรื่องอื่นซัเยอะเลยเห็นไหมแต่ถ้าใจหนีไปคิดนะเรารู้นทันพุ๊จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะการทํางานจะดีขึ้นเยอะเลยหลวงพ่อนะตอนแรกรับราชการ เข้าทำงานช้ากว่ารุ่นเดียวกันนะมัวไปอยู่กองรมนอสามปีไปลูกจ้างชั่วคราว ด, ด้วยนะต่อเป็นเดือปีๆอะไรเงี้ยรู้สึกสนุกดีได้เรียนรู้อะไรแปลกๆนะพอไปรับราชการเนี่ยช้ากว่าเพื่อนอยู่3ปีทํางานแป๊บเดียวนะทันเพื่อนแซงเพื่อนนะเลื่อนสีเรื่องะไรได้เร็วไม่ได้ไปจบผู้ใหญ่ด้วยนะเราทำงานทำราชการจนเป็นชั้นพิเศษแล้ว้วก็ชักเบื่อแล้วนะ โตเร็วไม่รู้จะโตไปทางไหนนะออกไปอยู่รัฐนวิสาหกิจไปทำงานอยู่ไม่นานนะไป40แล้วนะเวลาตอนนั้นอยู่กับผู้อำนวยการเวลามีงานที่ต้องต้องวิเคราะห์ต้องศึกษาต้องทำเปเปอร์ที่ยากๆต้องให้หลวงพ่อเป็นคนทำอ่านหนังสือเป็นตั้งๆแล้วต้องพิมพ์ออกมาไม่ต้องร่างนะเป น, นั่งหน้าคอมพิวเตอร์แล้วก็พิมพ์ออกมาจากข้อมูลเยอะๆนั่นนะ่ะ พิมามาแล้วผู้ใหญ่ก็มายืนวนเวียนอยู่ข้างๆโต๊ะรอเซ็นเนี่ยจะเ็นเครียดไตชักเลยนะถ้าภาวนาไม่เป็นอนะ่ะเนี่ยเรามีสมาธิไงเราฝึกจิตฝึกใจของเราสมาธิเราดีนะจิตใจเราไม่วกแวกพอเราอ่านข้อมูลเสร็จเนี่ยมันจัดระเบียบในหัวเราเรียบร้อยแล้วนั่งหน้าคอมพิวเตอร์นะั้เราเขียนออกมาได้แล้วไม่ต้องร่างนะเขียออกมาได้ใช้ได้เลยเนะนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะสมาธินะ งั้นถ้าพวกเรามีสมาธิจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ฟุ้งซ่านร่องรอยไปนะการทำงานของเราก็จะดีขึ้นนะแต่ถ้าใจของเราวกแวกๆๆกกนะทำงานแบบสังกตายรอให้มันหมดเวลาแล้วเดี๋ยวก็จะได้ิดเที่ยวถึงเดือนก็รอให้เงินเดือนออกไมนะไม่ได้อยากทำงานนะแต่อยากได้เงินเดือนอย่เงี้ยใจมันไม่มีความสุขตอนทำงานเราวัดตัวเองนะตอนที่เราทางานนะมีความสุขหม คนไหนมีความสุขขณะที่ทำงานมนะันยกมือให้หลวงพ่อดูซิมีไหมมีบ้างพวกนี้มีบุญนะส่วนใหญ่ไม่มีความสุขมีความสุขตอนได้เงินสามสิบวันมีความทุกยี่สิบเก้าวันมีความสุขหนึ่งวันน่าสงสารมากเลยม่นคล้ายๆเราดูหนังหนังไทยอ่ะหนังละครน้ำไม่สะอาดอ่ะ นะหลังข่าวนะเห็นไหมว่านางเอกชอบถูกแกล้งสู้นางอิจฉาไม่ได้หลวงพ่ อ, อยังบอกพวกที่ชอบดูละครเลยเปลี่ยนสิเรามาเชียร์นางอิจฉาถ้าเราเชียร์นางอิจฉานะเราเป็นพวกนางอิจฉานะเรามีความสุขเกือบทั้งเรื่องเลยไปเสียใจตอนจบตอนเดียวเองนะถ้าเราเป็นพวกนางเอกนะเราเสียใจตลอดเลยแล้วไปดีใจทีเดียวเองนะ เน่ถ้าเราหัดจิตใจของเรานะให้อยู่กับเนื้อกับตัวนะเวลาทํางาน um, เราก็มีความสุข um อยู่กับการทํางานนะอยู่ตรงไหนเราก็มีความสุขอยู่ตรงนั้นเลยเพราะใจของเราสบายใจมันมีความสุขสักอย่างนะอยู่ตรงไหนก็มีความสุขถ้าใจมีความทุกข์นะอยู่บนสวนรรค์วิมานอะไรนะอยู่บนคาลิฮาร์แค่ไหนมันก็มีความทุกขนะ์นะงั้นเรามาฝึกจิตฝึกใจของเราใจเราโลภขึ้นมารู้ทันใจเราโกรธขึ้นมารู้ทันใจเราฟุ้งซ่านเรารู้ทันใจหดหูรู้ทัน รู้เฉยๆไม่ต้องไปแทรกแสงให้รู้อย่างที่มันเป็นนะรู้ไปเรื่อยๆใจมีความสุขก็รู้ใจมีความทุกข์ก็รู้หัดรู้บ่อยๆถ้ารู้ไปรู้ไปนะใจจะศีลก็จะดีขึ้นนะสมาธิก็จะมากขึ้นมากขึ้นต่อไปสิ่งที่สําคัญที่สุดก็จะเกิดขึ้นคือตัวปัญญาปัญญาเป็นความเข้าใจความเป็นจริงของชีวิต ถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตแล้วนะความทุกข์จะกระเด็นหายออกจากใจเราอย่างมหาศาลเลยถ้าเราเข้าใจแจ่มแจ้งเราจะเป็นพระละหันนะเราจะไม่ทุกข์อีกต่อไปแล้วความทุกข์จะอยู่ที่ร่างกายเท่านะแต่ใจจะไม่ทุกข์อีกต่อไปแล้ววิธีการก็คือคอยรู้ทันใจของเราไปเรื่อยๆนะต่อไปเราก็จะเริ่มเห็นความจริงเราจะเห็นว่าความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นของชั่วคราวความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็เป็นของชั่วคราว ความเฉยๆที่เกิดขึ้นไม่สุขไม่ทุกข์นะก็เป็นของชั่วคราวเนี่เราจะเริ่มเห็นความจริงตัวนี้ถึงความรู้สึกอื่นๆก็เหมือนกันความโลภก็เป็นของชั่วคราวความโกรธก็ชั่วคราวนะความน้อยใจความอิดช้าความเสีย อ, อกเสียใจทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวหมดเลยเราจะมาเรียนรู้ทันจิตใจของตัวเองนะจนกระทั่งเราเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราว ทุกวันนี้เราดิ้นรนหาความสุขใช่ไหมเราดิ้นรนหนีความทุกข์กันแทบเป็นแทบตายถ้าเมื่อไหร่เราได้เห็นความจริงนะว่าความสุขเป็นของชั่วคราวนะการที่จะหิวโหวยความสุขเนี่ยจะหายไปนะเพราะใจมันหมดความหิวนะใจจะมีความสุขอีกชนิดหนึ่งเป็นความสุขที่สงบที่ประณีตมากเป็นความสุขที่ไม่เห็นเกตตัวด้วยถ้าเราทํางานเนี่ยนะไม่ต้องมีใครมาคุมเรานะจะตั้งใจทํางานให้เต็มที่เพราะเรารู้เลยว่าถ้าเราอู้งานอะไรเนี่ยเราโกงอยู่ เราเป็นคนไม่สุดจริตแล้วเราผิดศีลผิดธรรมะล้วนี่มันจะมีความละอายใจเกิดขึ้นเลยงั้นเราพยายามมารู้ทันใจของเรานะทีแรกก็จะได้ศีลต่อมาจิตใจของเราก็อยู่กับเนื้อกับตัวมีความสุขมีความสงบอยู่ในปัจจุบันนี้พอมหาหัดรู้ทิตจิตใจมากเข้ามากเข้าปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวอะไรอะไรในชีวิตเราก็เป็นของชั่วคราว ถ้าเราเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยจะร่วงลงไปจากใจเราชะหลนต่อหน้าต่อตาเลยพ่อของเราตายเรารู้ความจริงนะว่าชีวิตก็เป็นของชั่วคราวเพราะเราเคยเฝ้ารู้ทันอยู่ในใจของเราเรื่อยๆนะจะเห็นว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาให้ใจรู้เนี่ยเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยนั่นอย่างถ้าพ่อแม่ของเราตายเขาก็รู้ว่าพ่อแม่เราก็อยู่ชั่วคราวความตายเป็นเรื่องธรรมดานะใครเคยลูกตายบ้างไหม ตามสถิตินะถ้าลูกตายเนี่ยมีความทุกข์มากกว่าพ่อแม่ตายนะเพราะพ่อแม่ตายเนี่ยเราเคยคิดใช่ไหมว่าพ่อแม่เราต้องตายเราไม่ค่อยคิดว่าเด็กจะตายก่อนเราเราคิดว่าตายการตายต้องตายตามลําดับอาวุโสนะเรื่องจริงๆไม่ใช่ดังั้นอย่างพ่อแม่ตายนะเราก็ทุกข์นะแต่มันทุกพอทนได้แต่พอถ้าลูกตายหรือเด็กกว่าตายเนี่ยนะเราไม่เคยคิดไม่เคยฝันนะใจไม่เคยทําใจไว้ก่อนเลยนจะทุกข์มากเลย ในการที่เรามาหัดรู้ทันใจของเราแล้วเราเห็นว่าทุกอย่างมันของชั่วคราวเนี่ยต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเรานะใจจะยอมรับได้น้ําจะท่วมบ้านก็น้ํามันมามันก็ต้องท่วมแหละจะห้ามมันอยากให้มันไม่ท่วมมันก็จะท่วมความอยากของเรานี่เป็นเรื่องไร้สาระนะถ้าน้ําจะท่วมบ้านมันต้องท่วมหาทางกั้นละกั้นไม่อยู่นะก็ท่วมท่วมแล้วก็ต้องกลุ้มใจนะก่อนจะท่วมกลุ้มใจมาก เมื่อปีกลายบ้านไข่น้ําท่วมบ้างมีหไหมก่อนน้าจะมาลุ้นน่ะใช่ไหมท่วมไม่ท่วมท่วมไ ม, ทม่ท่วมเครียด น, นะเออพอท่วมใหม่ๆก็ทุกช้ใช่ไหมท่วมไปเดือนหนึ่งชักชินลนะต่อมาก็ชินนะได้กลิ่นน้ําเน่าทุกวันเลยพอน้ําหายไปนะแตลกๆในะชีวิตนี่ขาดๆอะไรไปอย่างนะี้ไหมใจทําไมน้ําท่วมนานๆแล้วทุกน้อยลงใจมันยอมรับความจริงได้มันอยู่กับน้ําได้มันไม่เกลียดน้ํา ถ้าเรายอมรับความจริงยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราได้นะเราเห็นว่าไม่เป็นของธรรมดานะเราจะไม่ทุกข์มากหรอกนะหรือความสุขมานะเรารู้ทันว่าความสุขอยู่ชั่วคราวจิตใจเวลาความสุขมันหายไปคนที่เรารักมันหายไปมันตายไปเราไม่ทุกข์นะเราเราดูว่าความสุขมันก็ชั่วคราวนะเวลาเราเจอเรื่องไม่ดีอย่างน้ำท่วมบ้านเป็นความทุกข์ ถ้าเราเคยปฏิบัติธรรมเราเคยรู้เท่าทันใจของเราแล้วก็รู้ว่าความทุกข์มันของชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หายน้ํายังไม่ทันไปเลยหายทุกข์แล้วก็ได้นะความทุกข์ก็ลดลงได้อยู่ที่ใจเรานี้ดวงเดียวนี่แหละถ้าใจเรามีสติมีปัญญามากพอใจเรารู้ความจริงว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวความทุกข์จะเข้าไม่ถึงใจเรานั้นเรามาหัดเรียนรู้นะให้เห็นความจริงว่าความทุกข์ความสุข หรืทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาสู่ใจเราเนี่ยเป็นของชั่วคราววิธีเรียนรู้ก็คือคอยรู้ทันมันไม่ต้องไปนั่งคิดเอาหรอกว่ามันชั่วคราวนะโกรธเป็นใช่ไหมใครเคยโกรธเมื่อกี้หลวงพ่อถามแล้วโกรธเป็นใช่ไหมต่อไปนี้เวลาโกรธเนี่ยปกติเวลาเราโกรธเราทําไงเราจะไปดูคนที่ทําให้เราโกรธนึกออกไหมเวลาเรารักรักใครสักคนเราจะไปคิดถึงคนที่เรารักนึกออกไหม เวลาเกลียดใครสักคนเราจะไปคิดถึงคนที่เราเกลียดไม่อยากคิดก็จะคิดใช่ไหมเคยไหมเคยบอกตัวเองไหมว่าอยากคิดสิเรื่องนี้อยากคิดสิใครเคยเป็นไหมห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้คำว่าห้ามไม่ได้เนี่ตรงกับคำว่าอนัตตาบังคับไม่ได้นะแต่ถ้าใจเราฉลาดนะเราเห็นนะทุกอย่างเปนชั่วคราวอย่างเราอยู่กับเพื่อนคนนี้นะเพื่อนร่วมงานของเราคนนี้เห็นกี่ตัวที่สุดเลยนะ กเกลียดมันอยากให้มันต า, ตายตายซะหรืออยากให้มันย้ายไปอยู่หน่วยงานอื่นมันไม่ไปนะยังไงมันต้องอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันถ้าเรารู้ทันใจของเราเราเห็นว่าความเกลียดเขาว่าเกิดเป็นคราวๆเกิดตอนไหนเกิดตอนที่เราคิดเวลาเราเห็นหน้าเขาตอนที่เห็นหน้าเนี่ยยังไม่โกรธยังไม่เกลียดนะต้องคิดนิดนึงก่อนถึงจะเกลียดความความรักความเกลียดเนี่ยตามหลังความคิดมาไปสังเกตให้ดี เวลาเราขับรถใครเคยขับรถแล้วโดนปาดหน้าบ้างสังเกตไหมตอนที่เขาปาดถ้าเราไม่ได้ไปคิดนะไม่โกรธนึกออกไหมต้องคิดนิดหนึ่งใช่ไหมแน่สักแค่ไหนวะพ่อมึงตายหรือไงอะไรอย่างงี้ยนะเออต้องคิดอย่างงี้นะคิดในทางไม่ดีอะ่ะมันก็ค่อยโกรธขึ้นมานะะมันตามหลังความคิดมาจริงนะความคิดเนี้ยมันมาตอนทีเฟือนะถ้าเราคอยมีสติอยู่ใจมันคิดเรารู้ทันนะจะไม่โกรธขึ้นมาจะไม่โลภขึ้นมา ใจจะมีความสงบนี้จะได้สมาธินะแต่ว่าถ้ามันโกรธขึ้นมาแล้วเราก็เห็นว่าความโกรธอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปมันโอบขึ้นมาแล้วความโลภอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปอันนี้เราจะได้ปัญญาเราจะได้ความเข้าใจนี่เป็นเรื่องสําคัญทั้งหมดแหละศีลก็สำคัญนะสมาธิก็ทําให้ใจเรามีความสุขมีความสงบในปัจจุบันปัญญาก็ทําให้เรารู้จักความจริงของชีวิตต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราจะไม่ทุกข์มาก มีคนหนึ่งนะหลวพ่อไปอีสารไปกลับครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเล่าให้ฟังบวกมีญาติท่านมาจากต่างจังต่างอำเภอวัดท่านอยู่ในเมืองโคราชญนะาติท่านอยู่อำเภอนอกๆ อ, ออกไปเขาจะมาหาหมอมาตรวจร่างกายนะไม่ได้เป็นอะไรมาตรวจร่างกายไปจปําปนะีแล้วก็มาพักอยู่ที่วัดนะเช้าก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปเที่ยวแล้ว ก, กลับมาอยู่ที่วัด รุ่งขึ้นก็ไปออกไปเที่ยวนะลวกลับมานอนวัดมีความสุขมากเลยไปกันนะไปเป็นกลุ่มเลยเฮฮากันใหญ่เลยวันที่ไปฟังผลนะนะตอนเย็นตอนบ่ายนะหิ้วปีกมาเลยมีอยู่คนหนึ่งนะเพื่อนหิ้วปีกมาเลยท่านถามเป็นอะไรเป็นมะเร็งเนี่ยเป็นมะเร็งขั้นที่1นนะึไปตรวจเจอแล้วเป็นมะเร็งขั้นที่1นนะึฟอร์ไปเลยนะท่านบอกว่ากลับบ้านนะกลับไปต่างอำเภอกลับบ้านไปนะไม่กี่วันตายไปเลย ยังไม่ทันจะตายเพราะมะเร็งเลยนะตกใจตายซะ ก, ก่อนแล้ยนี <c> ่เ <oughs> พราะอะไรเพราะยอมรับความจริงไม่ได้ถ้ายอมรับความจริงได้ก็ออร่างกายเป็นมะเร็งก็รักษาไปสิ่ร่างกายเนี่ยมันเป็นของชั่วคราวอยู่แล้วถึงไงไม่มีใครแพ้มะเร็งสักคนหนึ่งเลยนะมะเร็งตายเราตายเมื่อไหร่มะเร็งก็ตายเมื่อ น, นั้นอ่ะมันตายด้วยกันนะถูกเผาพร้อมๆกันด้วยนะนี่ยถ้าใจยอมรับความจริงได้นะว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยว่าเป็นเรื่องธรรมดา พอเราเจ็บป่วยขึ้นมานะมันจะไม่กลุ้มใจมันจะป่วยเฉพาะร่างกายนะใจมันจะไม่ป่วยเนี่ยเรือยอย่างนี้เรียกว่ามีปัญญานะเพราะฉะนั้นพวกเรามาฝึกตัวเองนะหัดรู้ทันความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆรู้ทันเราจะได้ศีลถ้าเรามีศีลเนี่ยนะเราจะอยู่ในสังคมได้อย่างน่ารักน่าเอ็นดูพวกไม่มีศีลเนี่ยเกะกะร่ารานคนอื่นไม่มีใครเขาชอบหรอก ถ้าเรามีสมาธินะเราจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขในปัจจุบันนี้นะมีความสุขไปเรื่อยๆใจมันสุขกันสงบถ้าเรามีปัญญาเนี่ยเราจะเห็นความจริงของชีวิตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเราจะไม่หวั่นไหวนะเราจะไม่หวั่นไหวเพราะงั้นถ้ามีปัญญาได้เนี่ยดีที่สุดนะถ้าปัญญาไม่เกิดนะให้มันมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมีศีลไว้ก็ไม่ทุกข์มากเท่าไหร่ยังได้ความสุขความสงบเกิดขึ้นเป็นคราวๆนะ แล้วก ส, สีนี่นมันจะมีอัตโนมัตินะมีสีนันมันจะเรียบร้อยขึ้นน่ารักขึ้นนะไปหัดดูนะหัดรู้ทันใจของตัวเองวิธีรู้ทันใจไม่ยากอะไรใจของเราตอนนี้รู้สึกอะไรยังรู้สึกไหมใจของเราตอนนี้ส่วนมากสงบอยู่สงบกว่าตอนที่หลวงพ่อเริ่มพูดรู้สึกไหมใจขณะนี้สงบกว่าเมื่อกี้ดูออกไหมนี่เรารู้ทันนะ สังเกตไหมใจของเราคิดอุตรุดเลยใจของเรามันคิดได้เองต่อไปนี้เราลองตั้งใจว่าเราจะไม่คิดนะหลวงพ่อจะให้เวลาครึ่งนาทีให้พวกเราตั้งใจว่าจะไม่คิดลองดูซิจะไม่คิดได้ไหม <c oughs> เห็นไหมคิดอุตรุดเลยเห็นไหมดูออกเปล่าเ <c oughs> นี่ยใครรู้ทันใจนะเราไม่ห้าม เราไปห้ามใจไม่ได้นะใจก็เป็นอนัตตา่าไปห้ามมันไม่ให้คิดก็ไม่ได้หรอกมันคิดของมันเองนะอม่หัดรู้ทันใจของเรานะมันคิดของมันได้เองเพราะฉะนั้นมันคิดไปเรื่องนี้เราห้ามไม่ได้มันจะคิดเรื่องนี้เราห้ามไม่ได้อย่างบางคนอกหักนะเพื่อนก็มาปลอบว่าอย่าไปคิดสิอย่าไปคิดถึงเขาลืมเขาซะเถอะลืมได้ไหมลืมไม่ได้นะใจราเป็นของที่สั่งไม่ได้นะแต่เราก็มาเฝ้ารู้ลงไปใจมันคิด มันจะคิดเราห้ามมันไม่ได้คิดแล้วมันทุกข์เราห้ามมันไม่ได้คอยรู้ทันเรื่อยๆนะต่อไปพอเหตุความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์ก็จะหายไปเองความสุขเกิดขึ้นเรารู้ทันมันความสุขก็าหายไม่ใช่ไม่หายนะในโลกนี้ไม่มีอะไรที่อมาตะเลยเรามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันเป็นขณะขณะนะคอยรู้ทันใจของตัวเองเป็นขณะขณะไปถ้าลองทําดูนะนับจากวันนี้เป็นต้นไปถ้าพวกเราคอยรู้ทันใจของตัวเองบ่อยๆ ไม่ไปแทรกแซงไม่ไปบังคับมืนนะเช่นอย่าไปคิดอย่ากโกรธอยา่าโลบนะไม่บังคับนะบังคับก็ไม่ได้ยังเคยตั้งใจไหมว่าจะไม่โกรธเสร็จแล้วก็โกรธตั้งใจว่าจะไม่โลบใช่ไหมมีคนหนึ่งเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าไปที่ห้างศูนย์การค้าอะไรเนี่เห็นเขาขายหมวกนะอยากได้อยากได้รู้ทันว่าอยากได้นะเผลออีกแว บ, บเดียวนะหมวกกลับไปบ้านลนะนะนี้ไม่ทันนะสติไม่ทันนะ นี่เราคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆนะแล้วนับจากวันนี้ไปเดือนหน้าหรืออีก2เดือนข้างหน้าเราจะเปลี่ยนเราจะไม่ใช่คนเก่าซึ่งถูกกิเลสลากจมูกเหมือนทุกวันนี้ละเราจะเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะเราจะเป็นอิสระมากขึ้นในเวลาที่ไม่นานนักหรอกแต่ว่าอดทนนะแรกๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยยอมรู้ทันใจของตัวเองไม่ค่อยยอมรู้ความรู้สึกของตัวเองเราชอบไปรู้ความรู้สึกของคนอื่น เราไม่สนใจตัวเองคนข้างบ้านคุยกันเราก็อยากมีหูทิพซ์จะได้ฟังเห็นไหมใครเขาทาอะไรนะเรารู้หมดเลยนะแต่ใจของเราเป็นใหญ่เราไม่ค่อยจะรูนะ้อาภาพที่สุดเลยเรื่องนี้ต่อไปนี้นะตั้งใจไว้เราจะคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆตั้งใจไว้แค่นี้แหละนะแล้วก็สีล5้าก็ตั้งใจรักษาไปนะแล้วก็คอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆ ฝึกไปแล้วในเวลาเดือน2เดือนข้างหน้านี้แหละเราจะพบว่าเรามีชีวิตใหม่ชีวิตที่มีทิศทางที่แน่นอนแล้วว่าชีวิตนี้เราจะมุ่งไปสู่ความพ้นทุกข์นะชีวิตนี้มีคุณค่ามากขึ้นเพราะความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันตกมันหล่นไปต่อหน้าต่อตาเราใจของเรามีความสุขมีความอิ่มเอิบเบิกบานมากขึ้นมากขึ้นนะหน้าตาก็เปลี่ยนนะหน้าตาก็เปลี่ยนมีคนหนึ่งเข้าไปให้สัมภาษณ์ หนังสือหนังสืออะไรหลวงพ่อจําไม่ได้ล้วเขาเป็นหนังสือเกี่ยวกับความงามเขาไปสัมภาษณ์ว่าคนนี้ใช้เครื่องสําอางแบบไหนแล้วสวยอะไรเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งนะบอกว่าฟังซีดีหลวงพ่อโประโมทฟังแล้วสวยน ะ, ะเรื่องจริงนะแล้วลองไปดูดิลองไปดูรู้ทันใจของตัวเองสักเดือน2เดือนแล้วไปส่องกระจกดูหน้าตาเราจะไม่เหมือนเดิมหรอกหน้าตาเราทุกวันนี้เหมือนช้างเหยียบลิงเหยียบนะ หน้าตาหน้านิ้วคิ้วขมวดนะเรามาหัดรู้เท่าทาันใจหน้าเราจะผ่องมากเลยหน้าตาเราผ่องใสทําไมหน้าตาผ่องใสใจมันผ่องใสที่วัดหลวงพ่อนะคนไปเรียนเนี่ยส่วนมากเลยจํานวนมากเลยไปเป็นครอบครัวที่แรกมาคนเดียวนะสามีมาหรือภรรยามาเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะมาแล้วก็ปรากฏว่าเขาเปลี่ยนตัวเองได้ในเวลาอันสั้น เมียเคยชี้บ่นมากเลยนะเจออะไรก็บน่บนบน่นบ่นเจอสามีทีไรก็บ่นนะเจอหมาก็บน่นเจอแมวก็บน่นนะเจอเจอทั้งแมงมุมก็บ่นนะเจออะไรบน่บนหมดเลยแล้วามมาหัดรู้ทันใจตัวเองนะมันเห็นความหงุดหงิดมันบ่นได้เพราะมันหงุดหงิดใช่ไหมพอเราเขาเห็นความหงุดหงิดในใจเขความหงุดหงิดดับไปนะเขาไม่บนนะ่นอะเขาลืมบ่นไปสามีชักแปกใจว่าเมียเป็นอะไรมาคบกับหลวงภาพประโมทแล้วดูแปลกๆสวยขึ้นกว่าเกา่า เรียบร้อยน่ารักกว่าเก่ามีบางคนมาบอกหลวงพ่อนะตามมามาบอกหลวงพ่อมาขอบคุณหลวงพ่อนะเหมือนได้เมียใหม่เลยความรับร่วไหลนะว่าอยากได้เมียใหม่ไอ้คนเก่านะมันกลายเป็นคนใหม่นะมันเปลี่ยนพฤติกรรมได้ถ้าใจเราเปลี่ย น, นพฤติกรรมเราจะเปลี่ยนนะถ้าใจเราเปลี่ย น, ยนบางคนต้อไปเข้าหลักสูตรจะเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนไม่ได้หรอกถ้าใจไม่เปลี่ย น, นใจเราเปลี่ยนได้เพราะสติเพรปัญญานี่แหละ คอรู้ทันมันรู้ทันมันถ้าเรารู้ทันมันก็เรียกเรามีสตินะถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวมาแล้วก็ไปเรียกว่าเรามีปัญญาเราจะเปลี่ยนตัวเองได้ในเวลาไม่นานมากหรอกนะงั้นที่วัดของพ่อเนี่ยมากันเยอะเลยมาเป็นครอบครัวนะทีแรกก็มาคนเดียวแล้วสามีปัญญาเห็นความเปลี่ยนแปลงของคู่ของตัวนะก็เลยตามมาพาลูกมามาเลยมาที่แปลกก็ยังมีบางรายนะให้พ่อให้พ่อพามา เขาไปฟังซีดีหลวงพ่อนะแล้วก็สนใจให้พ่อพามาพ่อเป็นคนขับแท็กซี่นะตอนนั้นหลวงพ่ออยู่เมืองการพ่อก็ใจดีนะไม่ยอมขับรถการขับแท็กซี่หนึ่งวันไม่หากินนะขับรถพาลูกไปเมืองการไปเรียนกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็สอนสอนให้นะลูกเนี่ยตั้งใจฟังมากตั้งใจอยากจดจ ด, จดอยากได้ธรรมะพ่อนั่งฟังเล่นๆนนั่งสบายใจนะนั่งดูโน่นดูนี่ไปเพราะไม่ได้คิดจะเรียนธรรมะ อยู่ๆพ่อก็ร้องจั๊กขึ้นมานะโอ้โหผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วผมเห็นจิตของผมเนี่ยวิ่งเข้าไปในพระพุทธรูปจิตของเขาเผลอไปจิตของเขาเคลื่อนไปเคลื่อนมาเขาเห็นนะมันไม่ยากที่เราจะรู้ใจจะเห็นนะใจของเราเราวิ่งไปวิ่งมาตลอดอย่างตอนตะกี้หลวงพ่อหยุดพูดใจของเราวิ่งไปคิดนึกออกไหมนะเราลองดูมีอะไรให้ดูบ้างนี่มีหมวกประหลาดอยู่ในอันหนึ่งนะลองดูสิ หมวกนี้มันเป็นหน้าตาเป็นยังไงสวยไหมตั้งใจดูหน่อยนะสังเกตไหมเวลาเราตั้งใจดูไอ้หมวกเนี้ยใจเราวิ่งเข้าไปอยู่ในนี้นึกออกไหมเนี่ยเราวิ่งไปทางตานะตาเรามองเห็นใจเราก็วิ่งไปแล้วถ้าวิ่งไปวิ่งไปอู้สวยยังเลยน่าจะอยู่บ้านเราอยู่ตรงนี้ไม่มีประโยชน์อะไรนี่นะี่เราก็รู้อะไรใจมันโลภเนี้ยรู้ทันอย่างนี้นะก็ไม่ไปหยิบของเขาหรอกเนี่ยฝึกอย่างนี้นะฝึกไป ใจเรานี่แหละมันจะแส่สายออกข้างนอกตลอดเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดนะวิ่งไปดูเราไม่รู้ทันนะมันก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นมาวิ่งไปฟังเราไม่รู้ทันนะมันก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นมาวิ่งไปคิดเราไม่รู้ทันนะก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นมาให้เรารู้ทันเกิดสุขก็รู้เกิดทุกข์ก็รู้เกิดดีก็รู้เกิดชั่วก็รู้ไม่ห้ามมมมมมมมนนนะออยย่่าาาาาาไไไไปหหหหหหห้้้้้้้วงเ็ดดดิิครก มันมีตามันก็ต้องเห็นแต่พอเห็นแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รู้ทันใจของตัวเองนะกิเลสมันก็เกิดนึกสุขทุกข์เกิดเราก็ไม่รู้แค่นี้เองง่ายๆนะใช้ชีวิตธรรมดาใครชอบกินส้มตำบ้างเราคิดถึงส้มตํำสิรสชาติที่เราชอบบางควรน้ํำลายไหลเลย <c oughs> <c oughs> ห้ามได้ไหมน้ํำลายจะไหลห้ามไม่ได้นะออห้ามไม่ได้ เนี่ยใจคิดถึงส้มตําไม่เลิกเลยยังอยู่ในครกเลยนะแ <c oughs> ต่ออกมาณกลับมาอยู่กับตัวเองนะจะมารู้สึกตัวรู้สึกตัวบางคนต้องใส่ปูเข็มด้วยเห็นไหมบางคนเนี่ยหลวงพ่อแค่พูดนะเพิ่มความอยากเพิ่มความอยากเห็นใจที่อยากกินไหมใจที่อยากกินเนี่ยรู้ทันความรู้สึกเนี่ยแค่นี้เองเห็นไหมใจเราไปคิดถึงส้มตำนะถ้าชอบใส่ปูเข็มด้วยนะ มีปูเข็มได้ลองวาดภาพส้มตามใส่ปูเข็มในใจมันจะมีความอยากเกิดขึ้นอยากกินนะลองคิดถึงคนที่เราเกลียดสักคนหนึ um mm. ่มีไหมเอาเลยเอาที่เกลียดสุดๆเลยลองนึกดูมีไหมหรือในชีวิตนี้ไม่เคยเกลียดใครเลยเราคิดถึงคน2คนก็ได้คนหนึ่งเราชอบคนหนึ่งเราไม่ชอบเวลาเราคิดถึงคนที่ชอบนะความรู้สึกของเราก็เป็นแบบหนึ่งนะเราไปคิดถึงคนที่เราไม่ชอบความรู้สึกของเราก็เป็นอีกแบบหนึ่ง เนี่ยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปนะไม่ใช่ห้ามคิดนะคิดได้แต่คิดแล้วค่อยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองนะแค่นี้แหละยากไหมไม่ยากหรอกเราลืมคําว่าปฏิบัติธรรมไปเลยนะลองทําอย่างที่หลวงพ่อบอกจริงๆมันคือการปฏิบัติธรรมนั่นแหลนะการปฏิบัติธรรมอันนี้ชื่อว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานพระเจ้าสอนแบบดูกราภิกษุทั้งหลายนะ เมื่อจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะเมื่อจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะดุคระภิกสูทั้งหลายเมื่อจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะเมื่อจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดถูก็รู้ว่าหดถู่ให้คอยรู้ทันเท่านั้นเองนะมันเป็นส่วนหนึ่งของคําสอนพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อเอามาสอนคนรุ่นนี้นะถ้าหลวงพ่อสอนพระสอนอะไรหลวงพ่อก็จะสอนเรื่องสมาธิเรื่องอะไรมากหน่อย คาววาสจะไปสอนนั่งสมาธิมากทำยากให้สอนรู้ทันเจริญสติรู้ทันจิตใจของตัวเองนี่แหละจิตเราเปลี่ยนเร็วมากเลยไม่นานเราก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมได้ความทุกข์จะหล่นหายไปไปลองดูนะง่ายไม่ยากหรอกมีซีดีแจกให้นะไปฟังนะไปฟังเผื่อจะสวยบ้างเอาละพอสมควรเกือบเกือบชั่วโมงเนาะ นมกว่าจะเท้สั้นๆเห็นตาแป๋วแปวใครรู้สึกมีความสุขบ้างยกมือซิรู้ทันใจไปเรื่อยๆแล้วดูซิความสุขมันจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นความนิ่งๆมันนิ่งของมันเองเอ่ะนะรู้ทันเห็นไหมมันเริ่มนิ่งแล้วบางควรเครียดไปเลยนะเวลาดูจิต ด, ดูใจต้องระวังอย่างนะอย่าจ้องถ้าแบบดูไม่ให้คลาดสายตาเนะี่ยจะเครียดต้องเล่นๆดูเล่นๆนะ ใช้ชีวิตธรรมดานี่แหละนะแล้วก็เวลามีความรู้สึกเกิดขึ้นก็ค่อยๆรู้ไปรู้ไปสบายๆอย่าไปเอาเป็นเอาตายนะจะจ้องจะไปดูจิตดูใจจะไม่มีอะไรให้ดูเลยมันจะกลายเป็นความว่างๆไปหมดเลยเพราะฉะั้นการจะรู้ทันจิตรู้ทันใจเนี่ยใช้ชีวิตธรรมดาอย่างนี้แหละเวลาตาเรามองเห็นรูปใจเราก็เปลี่ยนหูเราได้ยินเสียงใจเราก็เปลี่ยนจมูกเราได้กลิ่นใจเราก็เปลี่ยนเห็นไหมอย่างเราได้กลิ่นของกินที่เราชอบใช่ไหม ใจก็อยากกินได้กลิ่นเน่าๆอะไรมานะกลัวผีใจเกิดความกลัวขึ้นมาย่างเงี้ยจมูกเราได้กลิ่นใจเราก็เปลี่ยนลิ้นเราได้รสใจเราก็เปลี่ยนอย่างรสนี้เราถูกใจเราก็ชอบรสนี้ไม่ถูกใจก็ไม่ชอบเนี่ยเห็นเห็นคนนีน้ก็ชอบเหน็นคนนี้ก็เกลียดเนี่ยตามมองเห็นได้ยินเสียงเสียงของคนนี้ได้ยินมาพอใจเสียงคนนี้ไม่พอใจใจมีความพอใจไม่พอใจนีย่ยคอยรู้ทันอย่างนี้แหละ คอรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจนะใช้ชีวิตธรรมดาตาก็เห็นไปหูก็ได้ยินไปใจก็คิดไปแต่ใจพอแต่ใจไปคิดหรือได้ยินเสียงได้เห็นรูปนะแล้วความรู้สึกมันเปลี่ยนก็แค่คอย ร, รู้ไปไม่นานเราก็จะเห็นว่าความรู้สึกทุกอย่างเกิดได้ก็ดับได้มาได้ก็ไปได้เข้าไปของเขาเองนะและในที่สุดปัญญาก็ยอมรับความจริงว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานี้เป็นของชั่วคราว ถ้าเห็นแล้วต่อไปความทุกข์ในใจจะหายไปเหลือแต่ความทุกข์ทางร่างกายเท่านั้นจบมีใครจะคุยกับหลวงพ่อไหมไม่มีจะได้ไปลมีท่านที่มีคำถาม <c oughs> ไหมครับถ า, าถามเ <c oughs> กี่ยวกับการศึกษาตัวเองนะอย่าไปถามเรื่องอื่นหวยอออะไรอะไรครับ โอ้ตอนนี้เดี๋ยวเย็นนี้จะไปไหนยังนึกไม่ออกเลย <c oughs> <c oughs> อยากรู้จริงเปล่าอยากรู้จริงๆริงนะอยากรู้จริงๆต้องเล่นเกมเกมหนึ่งนะกลับบ้านไปหากระดาษมาแผ่นหนึ่งมาตีเป็นช่องช่องนะแล้วก็ใส่ไปเลยโลภโกรธหลงอะไรเงี้ยใส่เข้าไปนะแล้วเราก็คอยสังเกตใจของเราสักห้านาทีนะถ้าใจเราโลภ หครั้งอยากนวนอยากนี่ขึ้นครั้งหนึ่งนะไปขีดช่องโลภใจเราอยู่ๆก็โกรธอันนี้ขึ้นมานะไปขีดช่องโกรธใจเราเจอใจลอยฟุง้งซ่านไปใจลอยลืมตัวเองไปไปขีดช่องหลงเนี่ยไปขีดเป็นช่องๆเออนี้ยนะใช้เวลาสักเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เรามี10นาที15นาทีทดลองนะแล้วดูคะแนนถ้าโลภมากตายแล้วไปเป็นเปรดถ้าโกรธมาก ตายแล้วตกนรกถ้าหลงมากใจลอยฟุง้งซ่านมากตายแล้วไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนะไม่ต้องถามหลวงพ่อเลยนะเราจะวัดตัวเราเองเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราจะตายเนี่ยจิตมันจะไหลไปตามความเคยชินนะความเคยชินแต่และชนิดนะถ้ามันเคยชินจะโลภนะไม่จะไปเป็นเปรต น, นะถ้าเคยชินที่จะโกรธหงุดหงิด ทุกทรมานใจแม้่ตกนรกทั้งเป็นอยู่แล้เวลาตายก็ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกถ้าใจลอยเมอเมอทั้งวันเห็นหมาเห็นแมวไหมเวลามันนั่งอยู่ตัวเดียวไม่มีอะไรทำมันจะนั่งเมอมีไหมหมาแมวนั่งพุโทโธพุโทโธไม่มีหรอกมีแต่นั่งใจลอยลอยเม้ใจลอยเราไปขีดช่องใจลอยนะแล้วเราจะรู้เลยเราจะไปเป็นสัตว์ในหลักฐานตายแล้วไปไหนไปตาม ที่จิตเคยชินแต่ถ้าใครเล่นเกมนี้นะจะไปนิพพานนะเพราะอะไรทุกครั้งที่เรารู้ว่าใจโลภเรามีสติหนึ่งคะแนนทุกครั้งที่เรารู้ว่าใจโกรธเราได้สติมาหนึ่งคะแนนได้ความรู้ทันไปเรื่อยเพราะฉั้นคะแนนรวมที่เราทาได้คือจำนวนค่าบวกนะคือค่าบวก งั้นถ้าใครเล่นเกมนี้รับรองไม่ไปอบายหรอก <c oughs> ม่ก็คือการฝึกกรรมาฐานอย่างหนึ่งนั่นแหละคือฝึกรู้ทันใจตัวเองคนส่วนใหญ่จิตมีกิเลสแล้วไม่เคยเห็นตายไปมันก็ไปตามกิเลสนั่นแหละทำไมเปรตต้องคอยาวเคยเป็นห่วงใครไหมเวลาเป็นห่วงคนที่เรารักกลับบ้านช้าชะเง้อดูไหม เมื่อไหร่จะมาชั้นก็มา ก, มากมากเลยยืดไปเลยนะตายแล้วคอยาวเลยเราเป็นอย่างที่เราทำนะเราเป็นอย่างที่เราทาจิตของเราจะไหลไปตามความเคยชินธรรมชาติของจิตย่อมไหลไปตามความเคยชินงั้นเราพยายามมาฝึกความเคยชินใหม่ คือฝึกเคยชิดที่จะรู้สึกตัวรู้ทันจิตรู้ทันใจนะศีลสมาธิปัญญาเราดีขึ้นเราไม่ไปที่ต่ำหรอกนะเป็นคำถามที่ดีนะหลวงพ่อตอบแล้วจะว่ายังไงถูกใจเปล่าบางคนบอกไม่ถูกใจอยากรู้ว่าไปเกิดที่ไหนอย่างนี้ก็ขอยัดเล่นถามของพ่อนะครับคือผมได้มีโอกาสได้ได้พบหนังสือของพ่อใน7ซเวนอีเวน นะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์หนังสืออะไรเน่หนังสื อ, อหลักปฏิบัติธรรมตามพระพุทธศาสนาที่เป็นการ์ตูนนะที่เป็นการ์ตูนครับ<อ>แล้วก็ข้างในก็จะมีซีดีสาราลุงชินอยู่นะครับก็หยิบหยิบมาอ่านอ่านเล่นๆพออ่านปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมันง่าย ม, มันง่ายกับกับตนเองที่จะเอานำมาใช้ก็เลยก็เลยซื้อมา นะครับพอซื้อมาปุ๊บเนี่ยซีดี CD ที่ฟังเนี่ยแต่ก่อนในรถเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะฟังเพลงฟังวิทยุแต่ตอนนี้เนี่ยในรถเนี่ยก็ฟังเฉพาะซีดีของหลวงพอ่อแผ่นเดียวเลยนะครับก็ก็หลังจากที่ที่ได้ฟังเนี่ย ก, ก็ได้ฝึกฝึกรู้รู้รู้กายรู้ใจนะครับหลวงพ่อแล้วก็แล้วก็วกรักษาศีล5้าบางทีเนี่ยศีลห้าที่มัน บางทีเราเราจะผิดสีอย่งเงี้มันจะรู้ที่ที่เกิดขึ้นกับผมนะครับเราจะรู้ว่าเรานี้มันกําลังจะผิดสีนะก็จะรู้ทันอ่าแล้วก็ส่วนการฝึกปฏิบัติทุกๆวันเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าวันไหนไม่ได้เพลียมากก็จะพยายามนั่งสมาธิทุกๆคืน<ม>คืนประมาณ 15-3 ห้าถ<ม>ึงนาทีอยงเี้ช่วงระหว่างที่นั่งก็จะรู้ว่าคิดอะไรอ่าคอยรับรู้อารมณ์นะครับหลวงพไม่ไม่ทราบว่า่าที่ปฏิบัติมานี้ พอพอได้ไหมครับเคยเหตุจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาไหมเคยครับเออถ้าเห็ตุน้าดีนะจิตมันไหลไปเรารู้ทันไม่ห้ามมันนะมันจะรู้สึกตัวขึ้นมานะอย่างขนณะนี้ยตึงเกินไปรู้สึกไหมเราประคองไวนะ้แล้วก็รู้ว่าปักของอยู่ห้ามมันไม่ได้มันอยากมันตกใจมันตื่นเต้นหนึ่งไปรวบไปนะก็เห็นว่าจิตมันปักของนะจิตถึงฐานไหมปกติอ บางทีก็ยังยังไม่ทราบว่าเป็นยังไงะครับหลวงพ่ออย่างขนาดนี้ยจิตอยู่ที่ไหนดูออกไหมจิตอยู่กับตัวเองหรือจิตอยู่ข้างนอกที่จิตก็อยู่กับหลวงพ่อครับเห็นไหมจิตอยู่ข้างนอกนะให้เรารู้ทันนะจิตมันไม่เข้าฐานนะถ้าจิตเข้าฐานเนี่ยมันจะรู้สึกตัวถ้าพูดภาษาไทยง่ายๆจิตที่เข้าฐานเนี่ก็คือสภาวะที่รู้เนื้อรู้ตัวนั่นแหละนะในะสภาวะที่เรารู้เนื้อรู้ตัวอ ไม่ลืมได้ลืมตัวนะภาษาไทยง่ายๆเนี่ยใจหนีไปคิดแล้วทราบไหม ใ, ใจไหลไปคิดแป๊บนะเราก็รู้ทันไหลอีกแล้วทราบไหมเนี่ยรู้ทันอย่างนี้นะเห็นไหมมันหนีได้เองเห็นไหมตรงที่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปมันมีความสว่างขึ้นมามนันเบาขึ้นมานะมันรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมางั้นตรงที่เรารู้ทันจิตที่หลงไปยิ่งรู้บ่อยนะภาวะแห่งความตื่นก็จะยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้น เราไม่ได้ตื่นเพื่อจะตื่นทั้งวันหรอกเราตื่นเพื่อจะได้เจริญปัญญาต่อพอจิตมันตื่นขึ้นมาแล้วเราจะเห็นว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราจิตก็เป็นของที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ตัวเราอีกนั่นคือตัวปัญญาที่แท้จริงดีแล้วล่ะที่คุณฝึกถกแล้วแต่อย่างนี้แ น, น, น, น่นไปไปรวบเข้ามาไม่ได้นะ กลัวออกนอกแล้วไปดึงเข้ามาเนี่ยผิดเลยนะจิตไหลออกข้างนอกจิตอันเนี้ยอ่อนเกินย่อนเกินไปกลัวมันจะไหลไปข้างนอกเราดึงเอาไว้ตึงเกินไปนะทางสายกลางก็คือรู้อย่างที่มันเป็นมันไหลออกไปก็รู้มันเพ่งอยู่ก็รู้นะรู้อย่างเป็นกลางไปเรยจะพอดีของมันเองหนีไปคิดหรือยังหเห็นไหมจิตมันหนีไปนะรู้อย่างนี้แหละเห็นไหมพอรู้ทันว่ามันหนีมันสื่น มันเหมือนเราตื่นขึ้นอย่างแท้จริงคนในโลกนี้ไม่เคยตื่นเลยนะตื่นแต่ร่างกายแต่จิตไม่เคยตื่นเลยจิตของเราฝันทั้งวันทั้งคืนฝันกลางคืนเรียกว่าฝันนะฝันทั้งวันเรียกว่าคิดจิตเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันตลอดเราไม่เคยอยู่ในโลกของความเป็นจริงเลยดันั้นเราเราไม่เห็นความจริงของชีวิตหรอกดังั้นเราจะต้องมีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาก่อนโดยการรู้ทันจิต ท, ที่หลงไปจิตที่ไหลไปคิดรู้ทันจิตที่ไหลไปดูรู้ทันจิตที่ไหลไปฟังรู้ทัน อที่รู้ทันมันจะตื่นขึ้นโดยอัตโนมัตินะฝึกไปเรื่อยปกติหนังสือลงพ่อทำแจกนะซีดีหนังสือแจกเยอะแยะเลยนี่ลูกศิษย์บางคนเขาก็บอกว่าพวกที่ไม่เข้าวัดน่ะไม่มีโอกาสได้หนังสือเขาก็เลยขอไปพิมพ์เขาไม่ได้กำไรนะคือเขาไม่ได้ค่ากำไรตัวนี้นทีแรกก็มีคนมาขอไปลองพิมพ์ดูนะพ่อก็ให้พิมพ์เ่สักสองปีก่อน แล้วก็มีคนเขียนจดหมายมาหาเขาบอขอบใจนะที่มาพิมพ์หนังสือออกมาขายเขาได้อ่านเขาก็กลังจะฆ่าตัวตายแล้วเขาได้อ่านก็ เ, เลยไม่ฆ่าตัวตายแล้ชีวิตเขามีความสุขขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เลยก็หลวงพ่อก็เลยเห็นเออเอาหนังสือไปขายก็มีประโยชน์นะมันเป็นช่องทางที่ธรรมะจะเข้าไปถึงคนที่ไม่ได้เข้าวัดแต่ถ้าใครไปที่วัดมีแจกนะไม่ไม่ขายหรอก แล้วที่แจกหนังสือของหลวงพ่อตอนนี้เยอะแยะเลยมีเอเจนต์แจกมากเลยนะมีเมื่อมืสักสองสามอาทิตย์เนี่ยมีในผลคนหนึ่งมาเป็นในผลตำรวจนะมาบอกว่าได้ CD หลวงพ่อไปไปฟังแล้วก็เลยตามมาหลวงพ่อถามว่าได้ไปจากไหนได้จากแม่ค้าขายส้มตำแม่ค้าขายส้มตำยังมี CD หลวงพ่อแจกเลยที่ ด, ดูสิ มีเยอะมากเลยนะขับซาเล้งขายของเก่าอะไรนะเปิดซีดีเลยซนะีดีเพลงนะถูกซีดีหลวงพ่อตีกระเจิงเลยนะเดี๋ยวเนี้ขึ้นรถนะบางคนเก็บซีดีอื่นหมดนะ่ะฟังแต่ซีดีหลวงพ่อฟังแล้วมันรู้สึกตัวฟังแล้วมันพัฒนาตัวเองได้ฟังเพลงก็ได้สบายใจแต่เดี๋ยวก็ดาวนนะเดี๋ยวก็ทุกข์ใหม่หลอกตัวเองไปช่วครั้งช่วคราว เราฟังธรรมะนะแลเราลงมือปฏิบัติชีวิตเปลี่ยนนะเนี่ยอีกหน่อย CD ดีหลพ่อจริงๆ CD ดีหลพ่อเยอะกว่า CD นักร้องแล้วนะั้นตอนนี้ <c oughs> ถ้าเราแจกทุกวันลองไปฟังดูนะธรรมะไม่ใช่ของยากไม่ใช่ของยากให้โอกาสแต่ชีวิตตัวเองบ้างเรื่องอะไรเราจะต้องจมในความทุกข์ตลอดไป ลองดูนะแล้วชีวิตตัวเองจะดีขึ้นชีวิตครอบครัวจะดีขึ้นบรรยากาศในที่ทำงานก็จะดีขึ้นพอ <นะ S 1> สมควรมั้งอ้าวมีมียกมืออ้าว่ามาช่วยช่วพูดใส่ให่หน่อยนะก็เคยตั้งจิตตัวเองว่าอยากจะปฏิบัติแต่ทุกครั้งที่จะปฏิบัติก็คือ เราจะทําไม่ได้อะค่ะนั่นพราะเราไปคิดว่าการปฏิบัติคืออะไรส่วนใหญ่เราไปคิดว่าการปฏิบัติธรรมนะั่นคือการนั่งสมาธิเดินจงกรมเราไม่รู้ว่าการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนะคือการเจริญสติเจริญปัญญาอนะไรนะีการปฏิบัติธรรมมันมีหลายระดับปฏิบัติอหนึ่งเรียกว่าทำสมถะคือฝึกจิตใจให้มีความสุขมีความสงบนะมีการหนึ่งฝึกจิตใจให้มีปัญญานะและสมาธิมีตั้งสองชนิด สมาธิที่จิตสงบเป็นอันหนึ่งนะสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นคนดูหลุดออกจากโลกของความคิดมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยเป็นสมาธิชั้นเลิศเลยซึ่งมีเฉพาะในพระพุทธศาสนางั้นไม่แปลกหรอกที่ว่าพอเราคิดถึงการปฏิบัตินะเราก็จะต้องไปคิดถึงการนั่งสมาธิเดินจงกรมใครๆก็คิดอย่างนั้นถ้าไปอ่านพุทธประวัติเราจะพบว่าเจ้าชายสิทธัตถะนะเมื่อตอนอายุ3ขวบพระพุทธเจ้าเหานี้แหละ เมื่อตอนอายุ3ขวบท่านไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้นะพี่เลี้ยงนะ่ะหนีไปดูพระเจ้าสุตโททนะแรกนาขวัญนะจ้าวชายศรีทถ า, าอยู่ใต้ต้นไม้คนเดียวก็ลุกขึ้นนั่งสมาธิหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวจิตตั้งมั่นขึ้นมาเสร็จแล้วท่านก็ลืมท่านลืมสมาธิชนิดนี้ไปแล้วนะก็อยู่กับโลกไปเรื่อยจนอายุ29่ส้ท่านออกบวชสิ่งแรกที่ท่านทํามันก็เหมือนที่พวกเราทํานั่นแหละเวลาเราคิดถึงการปฏิบัติสิ่งแรกก็คือการไปนั่งสมาธิ เจ้าชายสิทถาก็คิดเหมือนพวกเรานะออกจากวังได้ในสิ่แรกที่ไปทำนะก็คือไปหาฤาษีไปหัดนั่งสมาธินั่งสมาธิจิตสงบจิตนิ่งนะในเวลาไม่กี่วันแล้วจบหลักสูตรของฤาษีได้ฌานที่8ปดแล้วท่านก็พบว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาชีวิตจริงออกจากสมาธิมาจิตก็มีความทุกข์เหมือนเดิมนะท่านก็เลิกเลิกไปนั่งสมาธินะฝึกจิตฝึกใจอย่างนี้ไม่ดีก็มาฝึกทรมานร่างกาย ฝึกทรมานร่างกายจริงๆก็คือฝึกเพื่อจะเอาชนะความอยากนั่นเองอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนเพื่อจะเอาชนะกิเลสในใจของตัวเองนเงแต่มันเป็นวิธีที่ดูเดือดมากนะแล้วไม่สำเร็จสุดท้ายท่านก็นึกถึงสมาธิที่รู้สึกตัวขึ้นมาได้นะท่านก็ทาสมาธิชนิดที่มีความรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วท่านก็ดูลงมาใน ในสภาวะธรรมนะในสิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวเราเนี่ยมันมีอะไรอยู่เนาะความทุกข์ถึงมีอยู่เพราะมีความเกิดขึ้นมาความทุกข์ถึงมีอยู่อะไรเป็นความเกิดเีกว่ความได้มาซึ่งร่างกายซึ่งจิตใจนะได้กายได้ใจมานี่แหละเรียกว่าเกิดได้กายมาก็ทุกข์เพราะกายนะได้ใจมาก็ทุกข์เพราะใจทําไมไปได้มาแนละเพราะจิตเข้าไปหยิบไปฉวยไปยึดไปถือมาทําไมจิตไปยึดถือกายใจมา เราไม่เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นของชั่วคราวเป็นไม่ใช่ของดีของวิเศษเนี่ยท่านรู้ทันตรงนี้นะท่านเห็นความจริงของกายของใจว่าเป็นตัวทุกข์หรอกกายนี้ก็เป็นตัวทุกข์นะใจก็เป็นตัวทุกข์ท่านสลัดขื่นท่านปล่อยวางไม่ยึดถือกายยึดถือใจท่านเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์นะงั้นไม่แปลกที่คุณคิดถึงการปฏิบัติที่จะคิดถึงนั่งสมาธินะใครๆก็คิดเจ้าชายสิทธถาก็คิดแต่ท่านได้พิสูจน์มาแล้วว่าไม่ใช่หรอก คุณมาหัดรู้สึกตัวนะรักษาศีลห้าไว้แล้วก็ฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็เรียนรู้ความจริงของกายของใจเรื่อยๆไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้ทันจิตใจเคลื่อนไหวรู้ทันอย่างร่างกายของเราเนี่ยเป็นตัวทุกข์ใครเคยเห็นร่างกายเป็นตัวทุกข์ไหมไม่เห็นนะอย่างพวกเราที่เราเห็นได้เนี่ยเราจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างใช่ไหมร่างกายของเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้าง เราเรามีสติรู้สึกอยู่ในกายบ่อยๆสิเราจะเห็นเลยว่าความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายอยู่ตลอดเลยนะเราหายใจออกก็เพื่ออะไรเพื่อจะแก้ทุกข์ของการหายใจเข้าหายใจเข้าก็เพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจออกลองหายใจเข้าอย่างเดียวหายใจเข้าซิทุกคนลองหายใจเข้าอย่าหายใจออกนะเราดูว่าทุกข์หรือสุขทุกข์ไหมต้องหายใจออกแก้ทุกข์ใช่ไหมหายใจออกแล้วอย่าหายใจเข้าซิทุกข์ไหมทุกข์ไหม เราหายใจครับเพื่อหนีทุกเป็นคราวๆไปนะความทุกข์เนี่ยบีบคั้นร่างกายนี้ทุกลมหายใจเข้าออกเลยเนี่ยถ้าเราไม่เคยมีสติไม่มีปัญญาที่จะเรียนรู้ตัวเองนะเราก็นึกว่าร่างกายเราเป็นของดีของวิเศษนะแต่ถ้าเรามีสติมารู้อยู่นะมีแต่ทุกข์นะนั่งอยู่ก็ทุกข์ใครคันบ้างรู้ไหมที่นั่งอยู่นี่มีคนไหนคันแล้วเก่าไปแล้วบ้างเกือบทุกคนแหละที่เราพอเห็นนั่งตัวนี้ เห็นไหม เ, เราเราอัตโนมัติเลยเห็นไหมเราไม่เคยเห็นเลยว่าร่างกายมันทุกข์นะทําไมเราต้องขยับมันเมื่อยเนื้อออกไหมขยับเพราะมันเมื่อยร่างกายมันทุกข์นะเนี่ยถ้าเรามีสติอยู่ในร่างกายก็จะเห็นตัวทุกข์นะแล้วมาคอยรู้ที่ใจเห็นแต่ของไม่เที่ยงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเห็นแต่การบังคับไม่ได้นี่แหละเรียกว่าการเจริญปัญญา มาเรียนรู้ความจริงของกายของใจมากๆนะสุดท้ายจะไม่ยึดถือส่วนสมาธิที่จะทำเพื่อให้จิตสงบให้จิตพักผ่อนทำได้ก็ทำนะมันมีเคล็ดลับของคุณทำไม่ถูกเคล็ดลับนะมันถึงไม่สงบถ้าจะให้สงบเนี่ยต้องเลือกว่าเราไปรู้อารมณ์อะไรแล้วมีความสุขถ้าพุโทโธแล้วมีความสุขก็พุโทโธรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขก็รู้ลมหายใจดูท้องพองยุบมีความสุขก็ไปดูท้องฟองยุบ ให้จิตอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขจิตก็ไม่วิ่งไปหาอารมณ์อื่นจิตก็สงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวก็ได้สมถะละนะง่ายๆหลักมันมีถ้าอยู่ๆก็ไปบังคับจิตจะให้สงบนะไม่สงบหรอกต้องมีความสุขนะเห็นไหมว่ามันน่าเรียนนะถ้าเรียนธรรมะแล้วจะรู้สึกเลยมันเป็นวิชาที่น่าเรียนจริงเรียนเรื่องตัวเราเองเราไม่เคยนึกถึงเลยเวลากลืนข้าวเนี่ยหายใจเข้าหรือหายใจออก เวลาเรากินข้าวคนไหนกินข้าวเป็นบ้างกินข้าวมากี่ปีแล้วตอนเกลือนอาหารหายใจเข้าหรือหายใจออกเออหายใจไงนะเห็นไหมเรื่องอื่นรู้หมดเลยเรื่องของตัวเองไม่รู้เลยนะไปลองดูไปเรียนเรื่องของตัวเราเองดูนะแล้วจะสนุกที่สุดเลยไม่มีอะไรสนุกเท่ากับการเรียนรู้ตัวเองพูดง่ายๆก็คือไม่มีอะไรสนุกเหมือนการปฏิบัติทำหรอก นะแล้วมันจะมีผลนะเราอยู่กับโลกเราทํามาหากินได้เงินมาก็ใช้ไปหมดไปเรื่อยนะก็ต้องไปทําอีกแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งที่ได้มาจะอยู่กับเราตลอดไปเลยนะถึงชาติหน้าไปก็ไม่หายไปเราไปพาวนาต่อชาติหน้าก็ง่ายนะของอื่นในโลกนี่ชั่วคราวหมดเลยนะแต่ว่าคุณธรรมที่เราฝึกมาในจิตในใจเรานี่แหละจะเป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราอย่างแท้จริงนะให้ฝึกเอานะ ไปฟัง CD นะให้กันบ้านไปฟัง cd ก่อนฟังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรฟังแล้วฟังอีกเดี๋ยวก็รู้ไม่โง่ถึงขนาดฟังไม่รู้เรื่องหรอกนะเด็กๆมันยังฟังรู้เรื่องเลยนะพอละมั้งนะชั่วโมง20สนาทีพอสมควรแก่เวลาลนะจบ <c oughs> มีอะไรไหมหรืออา้าวเลิกแล้วกราบพระสัทีต้องให้สอน โตละกล่วออพอมันนะครับอรหังส ม, มาสมา โ, โธปะกวาปุทานปะกวนตานภิวาเทมิสวาข้าโตพระทวาตาธโมธัมมังนามามิสุปฏิปันโนพระทวาตาซาวาคัสังโคสังคังนามามิ